ครับ ปูดุลอัตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทรา่เริ่มความกันจหกมาแรกไปเลยนะครับสังขารุสสติ ขึ้นเจ้คุณพระสุทธัดดาลหลวงปูดุลเมื่อได้เข้ากราบท่านได้รับธรร ม, มปฏิสังถารของท่านเห็นอาการสำรวมที่เป็นไปโดยประกติธรรมดาของท่านได้เข้าใกล้ท่านทาได้รับความทราบถึงถึงใจเย็นสบายท่ากใจและใจ ทำให้เกิดความเคารพนับถือท่านด้วยใจจริงแม้เมื่อปรับจัดสมัครของท่านแลวเมื่อระลึกถึงท่านก็เกิดความสบายใจยังจิตใจให้น้อมไปในพระสังฆ ค, คุณดังที่สวดกันหรือระลึกถึงกันตามบทสังขานุสติว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีเป็นต้นท่านเป็นพระ ผู้ปฏิบัติดีด้วยองค์ท่านเองแล้วยังได้่วยรับภาระปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะพระสังฆาธิกา ร, รับพระเจาทานสมนสตัตด์ตามที่คณะสงฆ์เสนอโดยลำบับโดยนี้ได้ขนขวายเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธปฏิปทาดังที่ปรัสไว้ในจาธุมัสสุ ใจความโดยย่อว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่ามคขามป้อมเมืองจาตุมาได้ทรงประนามพระพิสุประมาณห้าร้อรูปซึ่งเดินทางมาเฝ้าคงเสียงดังในขณะจับเสนาสนะแต่ก็ได้ทรงรังงับการประนามและได้ตรัสถาม ท่านประสาริบุตรว่าจะทําอย่างไรเราประนามพิสุสงแล้วท่านกราบทูลว่าเมื่อทรงผลขวายน้อยคือหยุดบริหารท่านก็จะหยุดด้วยปราสห้ามว่ารอไว้จะคิดอย่างนั้นพ ร, ระจึงกรัสถามท่านพระโมกขารานะท่านกราบทูลว่าพระองค์ทรงหยุดบริหาร นและท่านปริบุตรจักบริหารพิสุสงฆ์พระพุทธเจ้าปราศทุกการและปลัาวว่าพระองค์หรือปริบุตรโมกาลานะพึงบริหารพิสุสงฆ์แล้วก็รงชื่ออันนี้คือผมกราบประธานภัยนะครับผมเด้กขุนใหย่ วัดบวรนิเวศวิหารคุ้มภาพันของอยี่สิแกที่ความนึงครับก่อนที่จะเริ่มถึงเรื่องราวองเป็นประวัติของท่านอันนี้เป็นอ่าก็เราก็ต้องเรียกว่าข้อเสียนนะครับของ หลวงปู่เทศเทศรังสีพระนิโรธรังสีคำเริอปัญญาการ อ, อนุสอนถึงหลวงปู่ดุลอตุโลผู้เขียนได้พบหลวงปู่ดุลอตุโลแต่ครั้งแรกท่านได้ไปพักเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสุทัศนารามอุบลนราชธานี ในสมัยนั้นดูเหมือนท่านได้สิบพันสามี่หลวงปูเทศเขียนถึงหลวงปู่ ด, ดุลก็เท่าว่าเป็นประวัติตอนต้นเลยทีเดียวครัในสมัยนั้นดูเหมือนท่านได้สิบพันสาท่านมีเมตตาแก่ผู้เขียนเป็นอันมากพอเห็นหน้าตาเข้าก็เรียกร้องให้ไปหาและก็ได้สมโมทิยกถาโดยสุภาพเรียบร้อยตามนิสัยของท่าน ผู้มีนิสัยเช่นนั้นเพราะท่านพูดแต่ละคำนั้นดูเหมือนจะกลั่นกรองแล้วจึงค่อยพูดพูดเฉพาะที่จำเป็นไม่พูดพร่ำเพรื่อและพูดในสิ่งที่ควรทำและทำได้นับว่าเป็นที่หน้าเรื่มสายศรัทธายอย่างยิ่งนิสัยอันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่คบหาสมาธมผู้เขียนก็ได้เข้าไปหาท่านเมื่อท่านเรียกโดยสุภาพเรียบร้อยความโอวาทของท่านแล้วประทับใจจนกระทั่งบัดนี้ไม่เฉพาะแต่ผู้เขียนเท่านั้นที่เห็นท่านแล ว, วเคารพนับถือพระเมนทั้งวัดก็เคารพนับถือถึงแม้ท่านเป็น คณะมาหาวิกายมาอาศัยเรียนหนังสือทั่วกราวก็ฝามกิจการงานท่านเป็นหัวหน้าหมู่ในวัดนั้นได้แม้แต่สมพานก็ยังนับถือท่านว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่การสร้างพระโบ ส, สถ์วัดสุทัศน์สมพานยังมิมนท่านมาช่วยควบคุมการก่อสร้างท่านได้ยัติเป็นธรรมยุทธ ก่อนเข้าพรรษาหรือออกพรรษาแล้วผู้เขียนก็ชักจะลืมจะระลึกแต่สิงอย่างไรก็ดีเมื่อออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงออกจากอุบลราชธานีไปเที่ยวิเวกขึ้นมาทางจังหวัดสกล น, นครอุดรธานีหนองคายท่านก็ได้ติดตามท่านอาจารย์สิงไปด้วยจากนั้นหลายปี ผู้เขียนกำลังเรียนหนังสือไม่ได้ติดตามข่าวของท่านจนกระทั่งผู้เขียนได้บวชเป็นพระเมื่อปีพุทธศักราช2466รเพราะเวลานั้นท่านอาจารย์สิงกลับคืนอุบราชธานีอีกได้ข่าวว่าหลุงปู่ดุลก็กลับไปด้วยแต่ไม่ได้ไปอุบราชธานี ท่านแยกไปทางจังหวัดสุรินทร์เลยไม่ได้พบท่านได้ข่าวว่าเมื่อท่านกลับไปจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไม่ได้กลับไปทางจังหวัดสกล น, นครอุดรธานีหนองคายอีกท่านคงเที่ยวอยู่แถวจังหวัดสุรินทร์บ้านเดินของท่านเมื่องานศพของหลวงปู่คั้น ที่อำเภอพนานนิคมจังหวัดสกล น, นครจึงได้พบท่านอีกท่านยังได้แสดงความเมตตาปรารถนาหวังดีต่อผู้เขียนอย่างยิ่งในที่ประชุมพระเถรานุเถระเป็นอันมากท่านยังอุตส่าห์มาทักทายปราสายกับผู้เขียนแล้วก็พูดธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งสุขขุมซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทางนั้น มักพูดแต่เรื่องจิตคือเรียกว่าจิตคือพุทธะและจิตที่ส่งออกไปภายนอกเรียกว่าสมุทยอันเป็นเหตุนำทุกมาให้ท่านพูดอย่างนี้บ่อยๆท่านพูดกับผู้เขียนอยู่นานคล้ายๆกับว่าท่านจะเมตตากับผู้เขียนโดยเฉพาะท่านพูดใจในทางปฏิบัติ เห็นว่าผู้เขียนเป็นผู้ปฏิบัติคล้ยลายๆกับว่าจะมีความรู้สูงในด้านปฏิบัติแต่แท้จริงแล้วเปล่าก็พระเทศธรรมดาธรรมดานี่เองต่อมาครั้งสุดท้ายท่านได้ไปวางศาิลาฤกษ์อุโบสถวัดหนึ่งที่อำเภอผือจังหวัดอุดรธา น, นีแล้วท่านเป็ น, นอนค้างที่วัดของผู้เขียนคืนหนึ่ง ท่านก็พูดอย่างเก่ารู้สึกว่าท่านกิดชับกระเฉงแข็งแรงมากคราภาพถึงขนาดนั้นแล้วรูปร่างลักษณะของท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงไปนักและท่านไม่เคยถือไม้เท้าเลยในโอวาทของท่านที่ท่านพูดว่าจิตคือพุท ธ, ธะในตอนนี้ ผู้เขียนขออธิบายว่าพุทธะคือความรู้ทั่วไปไม่ได้หมายถึงสัมมาสัมพุทธะพุทธะคือผู้รู้ทั่วไปหรือถ้ารู้ก็ว่าแล้วก็อีกคำหนึ่งท่านว่าจิตทรงออกนอกเป็นตัวสมุทยัยมันก็แน่ทีเดียว ถ้าจิตส่งแล้วมันเป็นตัวสมุทยัยโดยความเข้าใจของผู้เขียนจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ส่งผู้ปรุงผู้แตง่งผู้จดผู้จำเป็นอาการวุ่นวายของจิตทั้งหมดครั้นมาเห็นโทษเห็นภัยเห็นเช่นนั้นแล้วขอนเสียจากความยุ่งความวุ่นวาย แล้วเข้ามาหาตัวเดิมคือใจแล้วไม่มีคิดไม่มีนึกไม่มีทรงไม่มีสายไม่มีจดไม่มีจําอะไรทั้งหมดคือเป็นกลางๆอยู่เฉยๆนี่ละ่ะผู้เขียนเรียกว่าใจคืออยู่กลางกลางของความดีความชั่วความปรุงความแต่งอดีตอนาคตปล่อยวางหมด จึงกลับมาเป็นใจจิตคือพุท ธ, ธะท่านคงหมายเอาตอนนี้ผู้ใครอยากจะรู้ใจแท้ถึงแม้ยังไม่เป็นสาวกพุท ธ, ธะปัจเจกาพุท ธ, ธะสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็าตามขอให้ศึกษาพอเป็นสุตตพุท ธ, ธะเสียก่อนคือจงกลัานลมหายใจสักพักหนึ่งลองดู ในที่นั่นจะไม่มีอะไรทั้งหมดนอกจากความรู้เฉยๆความรู้เฉยนั่นแหละเป็นตัวใจพุทธะทั้งสีจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะมีใจดังนี้ถ้าหาไม่แล้วพุทธะทั้งสีก็จะมีไม่ได้เลยเป็นอันขาดแท้จริง กิตกับใจก็อันเดียวกันนั่นแหละพระสมมาสมุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าจิตอันใดใจก็อันนั้นแต่ผู้เขียนมาแยกออกเพื่อผู้ฟังเข้าใจง่ายตามภาษาของบ้านเราเท่านั้นเมื่อพูดถึงใจแล้วต้องหมายความของกลางอย่างว่าใจมือใจเท้า รจ่ใจไม้แต่ใจของคนกดที่เข้าตรงที่ทํากลางอกนั่นเองแต่ความจริงแล้วใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นใจย่อมอยู่ในที่ทั่วไปสุดแท้แต่จะไปเพ่งไว้ตรงไหนแม้แต่ฝาพนันฝึกหรือต้นไม้เมื่อเอาใจไปไว้ตรงนั้นใจก็ย่อมปรากฏอยู่ณที่นั้น คำพูดของหลวงปู่ดุลที่ว่าจิตคือพุทธะย่อมเข้ากับคําอธิบายของผู้เขียนที่ว่าใจคือความเป็นกลางยิ่งเฉยไม่ปรุงแต่งไม่นึกไม่คิดไม่มีอดีตอนาคตลงเป็นกลางมีแต่ความรู้ตัวว่า น, นิ่งเฉยเท่านั้นเมื่อออกมาจัดใจแล้ว จึงรู้คิดนึกรุงแต่งสารพัดวิชาทั้งควงเกิดจากจิตนี้ทั้งสิ้นนักปฏิบัติทั้งหลายจึงต้องควบคุมจิตของตนด้วยตั้งสติรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาถ้ากจิตแสบสายไปในกามโลกรูปโลกอรูปโลก ร้วบเป็นไปเพื่อต่อแล้วรีบดึงกลับคืนมาให้เข้าหาใจนับว่าใชา้ได้แต่ยังไม่ดีต้องเพียรพยายามพุหัาต่อไปอีกจนกระทั่งใจนึกคิดปรุงแต่งไปในกามโรครูปารคอรูปารโก็รู้เท่าทันทุกขณะอย่าไปตามรู้หรือว่ารู้ตาม จะไม่มีเวลาตามพันเลยักทีเหมือนคนตามรอยโคไม่เห็นตัวมันจึงต้องตามรอยมันรู้เท่าคือเห็นตัวมันแล้วผูกมัดเอาตัวมันเลยแล้วฝึกหัดจนกระทั่งมันเชื่องแล้วจะปล่อยให้มันอยู่อย่างไรก็ได้ไม่ต้องตามหามันอีก นับว่ดใช้ได้ดีถ้าตามใจของคนไม่ทันหรือไม่เห็นใจของคนมันจะไปหรือจะอยู่หรือมันจะคิดดีคิดร้ายอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องของมันนั้นใช้ไม่ได้เลยจมดิ่งลงกา ม, มาพบโดยแท้ผู้เขียนขอตักเตือนเพื่อนสหัธรรมนิก ผู้บวชมาหวังความบริสุทธิ์เจริญก้าวหน้าในพุทธศาสนาว่าการกระทำสิ่งใดด้วยกายวาจาและใจอันเป็นไปเพื่อโลกเมื่อถามตนเองก็รู้อยู่และโลกมนุษย์ทั้งหลายก็รู้อยู่สิ่งนั้นผิดวิสัยของสมณะจงละเสีย อยากระทำจงศึกษาแต่ธรรมวินัยและข้อวัดปฏิบัติให้เข้าใจผ่องแท้และปฏิบัติตามให้ถูกทุกประการอันจะนำมาซึ่งความเย็นใจแก่ตนและเป็นเหตุให้คนอื่นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเหตุให้พุทธศาสนา กีรังถาวรสืบไปหลวงปู่ดุลอัตุโรพระราชวุฒธธาจารย์เด็กะละทิ้งร่างกายอันกรอบเด็กของสิ่งปฏิกูลโสโครกพนได้ยากพร้อมทั้งญาติโยมและสานุสิตเป็นจำนวนมากไปแล้วแต่เมตตาธรรมที่สเสนอประสาทไว้แก่สานุสิตทั้งหลาย ยังเหลืออยู่คุณธรรมดังกล่าวแล้วประทับจิตใจของทุกๆคนไม่ลืมหายพระผมพระเทศรังสีพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิการาสนาศิษย์พระพิจูตสมมเนมทั้งหลายข อ, อนอมถวายความเคารพด็กกายวาจาและใจในที่ทุกสถาน ทุกการทุกเมื่อพระนิโรธรังสีพระนิโรธรังสีคำภีระปัญญาจารย์คิอท่านอาจารย์เทศหลวงปูเ่เทศเทศรังสีวันที่9มีนาคม2อง2 8วัดหินหนมักเต้งอำเภอศรีเกใหม่จังหวัดหนองคาย ดุลอัตุโลโดยรุวงปู่เทศเทศรังสีวัทินมักเป้นงนะครับที่นี้อาจจะเป็นคำชัดเป็นคำชี้แจงของท่านพระครูนันทปัญญาพรคำชี้แจงในการเรียบเรียงประวัติของท่านเจ้าคุณพระราชวุษ ธ, ธาจา คือหลวงปู่ดุลอจุโลครั้งนี้ยากที่จะเรียบเรียงให้วิจิตพิสดารละเอียดระ อ, อได้เนื่องจากท่านไม่ได้บันทึกเหตุการณ์สถานที่ปีเดือนไว้เป็นหลักฐานในการเดินผู้ดงและจำพันษาตามสถานที่ต่างๆผู้เรียบเรียงก็เพียงแต่จำจากคำบอกเล่าของท่าน และการบอกเล่าของท่านก็ไม่ได้กระทํารวดเดียวต่อเนื่องกันไปหากเมื่อมิคําเรียนถามจึงเล่าให้ฟังบ้างเมื่อมีเหตุอันควรท้าวความถึงในระวางให้การสอนแก่ศิษย์จึงเล่าให้ฟังบ้างแต่ขอรับรองว่าสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในประวัตินี้เป็นความจริงแท้แน่นอนทั้งหมด ที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างพ็เฉพาะการลำบับเหตุการณ์สถานที่บุคคลก่อนหลังเท่านั้นอันหนึ่งสำหรับประวัติประวันที่ท่านเที่ยวทุดงไปทั่วแดนป่าเขาต่างๆนั้นเป็นเวลาถึง19ปีหลังจากนั้นก็มาประจำอยู่ที่วัดบุรพารามจังหวัดกรุงรินแหงเดียวเป็นเวลานา น, านถึง ห้าสิปีบริบูตรตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้หลวงปู่ได้อุทิศชีวิตทุ่มเทความรู้ความสามารถรับภาระงานการประกาศาสนาท้งกนตทุระระวิปัสนาทุระยังไม่ขาดปกบกพร่องทั้งสองฝ่ายตลอดถึงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น ให้ถึงพร้อมสมบูรณ์ตลอดอายุขัยของท่านดังนั้นการกล่าวถึงประวัติของท่านในครั้งนี้จึงขอกล่าวถึงปฏิปทาจริยาวัดที่มีอยู่ในองค์ท่านอย่างงดงามแต่ถึงกระนั้นก็ยากที่จะหยิบยกมาพรรณนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้เพราะจริยาวัดอันงดงาม แต่คุณธรรมมันสูงส่งที่ท่านดำรงอยู่นั้นลึกซึ้งละเอียดอ่อนครบท้วนทุกประการยากที่ใครๆจะพึงปฏิบัติให้เสมอเหมือนได้ส่วนเรื่องพระธรรมเทศนาของท่านนั้นยิ่งรวบรวมได้ยากก็ไปอีกเพราะท่านไม่เคยแสดงเป็นการๆหรือเป็นเรื่องเป็นราวยา ว, ยาว เพียงแต่แนะนำข้อธรรมะอย่างสั้นๆเมื่อมีผู้ถามเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งในท้ายหนังสือเล่มนี้ก็พอมีธรรมเทศนาของท่านที่เป็นจัจธรรมขั้นประมัติให้อ่านบ้างและเมื่ออ่านแล้วต้องใช้ความคิดนึกตรึกตรองอย่างรอบคอบจึงพอเข้าใจได้บ้างเพราะท่านชอบใช้คำสั้น ตัดสัมมวลวัวหารที่พุ่มเฟือยออกและไม่มียมกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับแม้ในประวัติหลวงปู่ท่านไม่ชอบให้มีอภินิห า, ารหรือสิมทจันอะไรเจือยลนอยู่เลยครั้งทั้งที่ท่านเคยเล่าให้ฟังก็มีสารุสิตธ์เห็นประจักด้วยตนเองก็มีเมื่อเอามาประกอบเรื่องก็ถูกฟังให้ตาออกหมด ท่านกล่าวว่าเรื่องประเภทนี้ไม่จำเป็นเพราะคล้ายจะเป็นการอวดโนมหรือทำให้ผู้อ่านคลางแคลงใจได้และไม่เป็นไปเพื่อวความผผ้นทุกแต่ประการใดลงชื่อเพื่อครูนันทะปัญญาพรวันที่หนึ่งมีนาคม2528 ต่อไปจะเป็นประวัติชีวิตของพระราชวุาจาง คือลุงปูดุลอัุโลชีวิตในประถมวัยลุงปูถือกำเนิดณบ้านประสาทอำเภอเมืองจังหวัดภูริ แต่เมื่อวันที่ 4, สี่ตุลาคมพุทธศักราช2 4 3พนสรอามสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นพระยาสุรินวงเล็บม่วงยังเป็นเจ้าเมืองอยู่แต่ไปช่วยราชการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเจ้าเมืองอูบลและกรมการเมืองชั้นผู้ใหญ่ต้องไปราชการพับเพื่อปราบหอนี่ราวปีพุทธศตวรรษ2431ก็เกือบหนึ่งรปีมาแล้วบิดาของท่านชื่อในแดง มารดาชื่อนางนเงิมนามสะกะุลดีมากแต่เหตุที่ท่านนามสะกะุลว่ากระเสรมสิ่งนั้นท่านเล่าว่าเมื่อท่านไปพม่าประจำอยู่ที่วัดสุทธศนารามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลานานมีหลานชายคนหนึ่งชื่อพร้อมไปอยู่ด้วย ท่านจึงจริงตั้งนามสกุลให้วัดกระเสมสิงตั้งแต่นั้นมาท่านก็เลยใช้นามสกุลวัดกระเสมสิงไปด้วยลุงปู่ท่านมีพี่น้อง ร, ร่วมบิดามารดาห้าคนด้วยกันคือคนแรกเป็นหญิงชื่อกลิง่งคนที่สองเป็นชายคือตัวท่านเอง ชื่อดุ่มคนที่สามเป็นชายชื่อแดนคนที่สี่เป็นหญิงชื่อรักคนที่ห้าเป็นหญิงชื่อทองพี่น้องของท่านต่างพากันมลกดำรงชีวิตไปตามอัจภาพปราบเท้าไวยชรา และได้ถึงแก่กรรมไปก่อนที่จะมีอายุถึงเจ็ดสิบปีทั้งหมดก็มีหลวงปูแ่แต่ผู้เดียวที่ครองอัตภาพมาได้ยาวนานถึง96ปีชีวิตของหลวงปู่เมื่อแรกรุ่นเจริญวัยนั้นก็ถูกกงหมดให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมในสมัยนั้นแม้ท่านจะเป็นลูกคนที่สอง แต่ก็เป็นบุตรชายคนโตดังนั้นท่านจึงต้องมีภารกิจมากกว่าเป็นธรรมดาโดยท่านต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านงานในบ้านเช่นตักน้ำทำข้าวหุงหาอาหารเลี้ยงดูน้องๆซึ่งมีหลายคนงานนอกบ้านเช่นช่วยแบ่งเบาภาระของบิดา ในการดูแลบำรุงเลือกสวนไรานาและเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นต้นในบรรดาเด็กรุ่นเดียวกันในระแวกบ้านนั้นท่านเป็นผู้ได้เปรียดในเรื่องรูปสมบัติคือนอกจากจะมีร่างกายแข็งแรงมีอนามาัยดีแล้วยังมีผิวพรรณหมดจดรูปร่างโปรง ได้สัดส่วนน่ารักน่าเอ็นดูและยังมีอุปนิสัยเยือกเย็นอ่อนโยนความประพฤติเรียบร้อยมาแต่ยาวจึงได้รับคำยกย่องชมเชยจากบรรดาญาติพี่น้องและผู้จีได้พบเห็นโดยทั่วไป้วยเหตุที่ท่านมีรูปร่างงดงามดังกล่าวแล้วนี่เองท่านเจ้าเมืองสุรินในสมัยนั้น จึงมีบัญชาให้นำตัวท่านมาร่วมแสดงละครนอกโดยมีคุณตาจินเป็นพระเอกส่วนท่านเป็นมางเอก